ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในรายการพิเศษในวันนี้ก็คงปรารบเรื่องการประสูตดของพระโพธิสัตว์ต่อไปมีปัญหาที่น่าศึกษาติดตามอยู่ประการหนึ่งอัตมานั้นทำหน้าที่ฝึกปลืออบรมนักเรียนมานานก็เรียกว่า ในกรุงเทพมันก็เริ่มมาแตกสูง 2,504 นะครับต่างจังหวัดเราก็ทามาเยอะแล้วรมส่วนใหญ่มันเป็นกลุ่มสี่กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพระภิกษุษสามเณรกลุ่มที่สองก็คือนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่สามก็คือครูอาจารย์กลุ่มที่สี่ก็คือข้าราชการทั้งทหารทั้งตำรวจนะครับ แต่้ารจชการส่วนใหญ่ที่เคยอบรมมาเนี่ยก็คือตกลมตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กระทรวงไอ้ศาลนะฮะฝ่ายศาลแล้วพวกอายการพวกนี้นะครับพวกมาไทยพว ก, กเกษตรพวกอะไรเนี่ยบังกลมไม่ใช่ทุกกรมครับเพื่อการสังเกตเวลาเปิดโอกาสได้ถามปัญหา มันจะมีคำถามที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในใล้ๆกับเป็นสนิมใจอยู่เลยแล้วคนสมัยใหม่ก็ออกจะต่อต้านด้วยนะคือเรื่องพระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าแล้วก็เปล่งพระวาจาได้ด้วยนะคือจะมีคนโตแย้งในประเด็นตรนี้ยเยอะเลยแล้วก็กลายเป็นเรื่องแปลกที่ว่าศา ส, สนาคริสต์เนี่ย พระนางมาเรียประสูติพระเยซูเจ้าแล้วก็กลายเป็นสาวพรหมจารีเป็นประเด็นที่นํามาเชิดชูยกจ้องกันเป็นการพิเศษเห็นแม่ต่างกันเด็ดเลยแต่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมชาติเนี่ยว่าผู้หญิงคนหนึ่งคลอดลูกจะกลับเป็นสาวพรหมจารี์กลับในเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยมีปรากฏการพิเศษ นะเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเดินด้วยประบาทเดชเก้าเนี่ยมันปัญหาว่าอะไรน่าเชื่อมากกว่ากันเพราถ้าเรามองในเบื้องหลังนะคงไม่พูดเบื้องหลังเราเพราะว่าโอกาสต่อไปก็คงจะมาพูดในรายละเอียดกันแต่ว่าในโอกาสพิเศษที่เราประรบวันประสูตรเนี่ยก็ อ, อยากจะเน้นประเด็นประสูตร พอประเด็นประสูตรอย่าลืมว่าบารมีสาสิบทัศ์จะอยู่เบื้องหลังนะฮแต่ถ้าเรามองในประเด็นของการพูดได้พระโพธิสัตว์ในทศชาติคือเฉพาะสิบชาติหลังนะฮะพูดได้สามชาตินะไม่ใช่ชาติเดียวในชาติที่เป็นพระเวสสันดรขอสตางแม่บริจาคฐานในชาติที่เป็นโมโหสด บอกแม่ว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ามาท่านจะรักษาให้แล้วก็ชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะการเป็นพระพุทธเจ้ามันมีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมดเนี่ยเฉพาะชาตินั้นนะมีสิบเก้าประการจนแสดงไว้ในอจิรยิยภูตุธรรมสูตรในสิบเก้าประการเนี่ยมีข้อหนึ่งก็คือเมื่อประสูติมาแล้วต้องเดินด้วยประบาทได้เจ็เก้า แล้วก็เปล่งสิ่งที่เราเรียกว่าอาสพิวาจาคือวาจาที่แสดงความองอาจกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในพระองค์เองสูงและประวัจาตรงนี้มันที่จริงตอนที่ทรงสัตย์ ร, รู้ก็ทรงเปล่งเหมือนกันหลังจากสัตย ร, รู้ที่พบว่าอุปกรารชีวกเนี่ยรับสั่งเหมือนกันก็ความเดียวกันรับสั่งว่า นโกหมัสมิโลกัสสะเชษดโถหมัสมิโลกัสะสะเศธโถหมัสมิโลกัสสะอายมันติบาญาตินติดา น, นิปุณัปปโวเราเจนว่าข้อที่หนึ่งก็คือเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ใหญ่เชษดโถนี่คือเป็นพี่หรือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ในโลกแล้วก็เศธโถเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกชาตินี้การเกิดของเราเนี่เป็นชาติสุดท้ายแล้วพบใหม่ก็ไม่ได้มีแล้ว ก็รับสั่งเพียงเท่านั้นจากนั้นก็กลายกลับเป็นเด็กเหมือนเดิมมันเป็นบุคพลิมิตที่แสดงให้เห็นหนึ่งอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธรรัตถะในเวลาการศึกษาเนี่ยเวลานี้เราเน้นเรื่องความคิดวันก่อนแอบรมผู้บริหารระดับกลางที่สถาบันที่วัดไร่ขิงก็มีปัญหาถามว่า การศึกษาที่ใช้เด็กเป็นศูนย์ในคิดแก ค, คิดเองทําการงานเองทดลองเองเนี่ยฮะครูเป็นที่ปรึกษาเนี่ยสําเร็จไหมบอกไม่มีทางมันผิดธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์มันต้องเรียนรู้ที่พระเจ้าว่าอาเสวนาจะพาระลางบัณฑิตา น, นันจะเสวนาอย่าคบพาในคบบัณฑิตแล้วเรียนจะคิดเองได้ยังไง ร, รู้เองได้ยังไง แล้วถ้าถ้ารู้เองคิดเองความรู้มันจะเป็นระบบได้ยังไงมันจะมีกฎมีเกณฑ์ได้ยังไงมันต้องศึกษาเรียนรู้สมาทิฐิมันเกิดจาก巴拉โตโคสคือเรียนรู้จากที่อื่นแหล่ง อ, อื่นอะไรก็ตา ม, ยมาเยอะๆไปหมดเลยแล้วก็โยนในโสวนสิการะถึงหมาความกระบวนการทางจิตที่เราทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยจิตรับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสรับแล้วก็จําไว้ บางอย่างมันเป็นสูตรเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต้องแม่นถ้าแม่นก็ต้องท่องไว้ถ้าความจำดีก็ไม่ต้องท่องนะแต่ข้อสาคัญต้องจำถ้าเป็นสูตรเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วก็เผลอนิดเดียวไม่ได้พลาดนิดเดียวไม่ได้จำได้ท่องได้แล้วก็นามาคิดเป็นระบบตรงเนี้ยจะยุ่งเพราะว่าความคิดี่เป็นระบบน้่ยมันอยู่ในอดีตแล้วแลวเด็กเนี่ย ตัวขนาดนั้นน่ยจะเอาความคิดที่เป็นระบบมาจากไหนบางต้องกลับไปอ่านต้องกลับไปศึกษาจากครูบาอาจารย์อ่านแล้วไม่เข้าใจครูก็ต้องอธิบายให้ฟังแล้วกลายเป็นวัตถุดิบกลายเป็นประสบการณ์ตรงที่เธอจะคิดต่อไปแล้วจะเกิดความรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนแ่ะมันก็พูดกันอย่างนั้นเองคื อ, อยังนึกไม่ออกจริงๆเวลานี้วันจะไปได้ยังไง แล้วควังก็อธิบายก็รู้สึกคนอธิบายก็ไม่เข้าใจาตัวเองพูดเรื่องอะไรแตก่ก่อนก็เห็นมีโรงเรียนเขาเอามาออกโทรทัศน์นะศึกษาแผนใหม่อย่างเงี้ยครูที่อธิบายมันก็ไม่ไม่น่าเชื่อเลยแล้วร้เด็กทำอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเด็กนี่มันเกณฑ์มาตรฐานวุฒิภาวะเนี่ยเอามาพูดมาแสดงมาทดลองความคิดความเห็นกับเด็กที่มันศึกษาตามระบบนี่ได้หรือเปล่า ก็ทดลองกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะประเด็นความคิดเนี่ยที่เราพูดกันมากกว่าเนี่ยคือถ้าเราคิดเรามองประวัติศาสตร์ชาติไทยเรานะไม่ต้องเอาไกลหรอกเรามองใครเรามองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระนารายณ์มหาราชทำไมเรียกว่านรารายณ์นารายณ์เป็นชื่อพระเจ้าของศาสนาพราหมณ์นะฮะเขาไม่เอามาชื่อตรงหรอก เพราะสมัยโบราณเนี่ยเขาเคารพชื่อเทพเจ้าเนี่ยพระศิวะพานารายเนี่ยเขาไม่เอามาเรียกโดยตรงพระพรหมเนี่ยแต่พรหมก็ยังก็ยังใช้ชื่อกันเนี่แต่ว่าศิวะกานารายเนี่ยไม่ได้เพราะว่าท่านดุที่เขาชื่อยอย่างนั้นเพราะว่าตอนประสูตรเนี่ยพระราชวงศ์ที่อยู่ตรงนั้นเห็นท่านเป็นสีกรเป็นการเห็นระยะสั้นๆ แต่มันแสดงถึงบุญญาธิการกฤษชดาผิดนิหารที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปแต่พระองค์ก็เป็นมาราศอย่างที่เราทราบกันพระเจ้าตากศิลมาราศเป็นลูกสามันชนแต่ตอนเกิดนั้นผิดผิ ด, ผดธรรมชาติฤดูไม่ใช่ฤดูฝนแต่ฝนคว้าคำรามร้องคว้าผาเปลี่ยงคว้าและแปรปลัแล้วก็คว้า ผ, า, ผาลงมาฝนตกน้ำเจิ่งนองไปหมดเพราะ คลอดออกมาท่านยังผลหายฟ้าโปร่งใสสบายมีงูเหลือมเลื้อยเข้ามาวงขนดไว้ที่กระดงมันแสดงถึงบุพนิมิตว่าเด็กคนนี้จะยิ่งใหญ่ในโอกาสต่อไปแล้วก็สัดส่วนทางร่างกายก็แปลกกว่ามนุษย์มนาธรรมดาเขาใน ต, ตัวเนี้มันเราจะเห็นว่ามันนำสืบป่อกันมาจนเป็นเหตุให้ท่านสามารถส่องสมผู้คนกู้ชาติได้ ถ้าลำพังท่านเองนะฮะลำพังตัวท่านเองเนะี่ยต้นเจ้าวาสนาบารมีมาจากไหนเพราะท่านอยู่ระแหงที่ตากเข้ามาเป็นหลวงยกกระบะแล้วก็ไปส่องสมผู้คนอยู่ที่เมืองจันเนี่ยใครรู้จักท่านนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมองว่าก็คือไอ้กฤษดาปินิหารต่างๆที่เขารู้ข่าวร่วงหน้ากันมาแต่ก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งเพและส่วนหนึ่งคือความคิดที่อยากจะ ให้ท่านมองเหตการณ์ตรงนั้นแล้วก็ทำให้เรานึกถึงนึกถึงพระพุทธศาสนามากจริงๆคือเราเร า, เราศึกษาประวัติศาสตร์เราต้องศึกษาภูมิหลังภูมิหลังด้วยว่าทำใหม่ทำใหม่ทําไมถาหามันให้เจอได้ว่าทำใหม่ก็จะเห็นว่าการกู้ชาติข่าวนั้นนีนจะกู้ในนามใครกู้ในนามพระยาวชิรประการหรือเป็นตาแหน่งที่เพิ่งเป็นและยังไม่ได้ไปที่กําแพงอะไร ท่านไม่มีบารมีพอหรอกถ้าลำพังตัวท่านเองเพราะว่าสังคมยุคนั้นมันมันเป็นสังคมแคบแคบนะใครไม่ได้รู้จักใครกันงวางขวางเท่าไรหรอกแล้วท่านก็เป็นที่รู้จักทางด้านเมืองเหนือมันไม่ใช่รู้จักทางด้านตอนกลางหรือว่าตอนตะวันออกเพราะการกู้แผ่นดินในคราวนั้นของท่านเนี่ยจึงอาศัยพุทธบารมีเพราะอะไรเพราะกู้ให้แก่ชาติเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเจ้าของชาติกันแน่ มันเป็นโกกเป็นเหล่ากันดั้งเจ็ดถกเจ็ดกกครับต่างคนต่างก็อ้างชาติมันก็อ้างไม่ได้ก็มีสิทธิอ้างไม่มีน้ำหนักกู้ใดนามสถาบันประมาะกษัตริย์ราชวงศ์บ้านผู้หลวงไม่มีใครเด่นมีแต่กรมหมืน่นเทพพิพิธก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายเออถ้าเจ้าฟ้ากุ้งยังอยู่นี่ก็ไม่แน่นี่ก็คือตัวอย่างที่เราเขียนว่า สิ่งที่สามารถดึงดูดจิตใจคนเข้ามาสู่การกู้แผ่นดินได้คือพระพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนานี่แหละเพราะในข้อความที่อนุสาวรียิวัตอรุณราชวารามใครจะลอกมาจากตรงไหนก็ตามนะฮะแต่เราเห็นว่ามันก็มีเหตุมีผลก็มัน ข็ความที่ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสัปนะพระพุทธโคดมมันเกิดเป็นพลังศรัท ธ, ธาพลังเสียสละแล้วก็ต่างคนต่างไม่รู้สึกแก่งแย่งอะไรกันเพราะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันมาทำงานบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกัน เพรประเด็นตัวนี้เป็นประเด็นที่น่าศึกษาแล้วก็อยากจะมองเลยไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะว่าถ้าเรามองโดยโครงสร้างของประวัติศาสตร์จริงๆการถวายแผ่นดินให้แก่พระพุทธศาสนานั้นเคยมาแล้วนะฮะถวายวังให้เป็นวัดเนี่ยเคยมาแล้วสมัยสุดเด็ชปนารายถวายนารายราชวงนิเวศที่ลบบุรีเนี่ยให้พระเป็นวัดเป็นพัตตสีมาเลยให้พระเข้าไปบวช พระราชบริพารออกมาเป็นพระเพื่อหลบภัยจากประเภทราชาและคุณหลวงสรศักดิ์ในราราชกนิเวศนิรงังเพราะมันเป็นวัดพระเองก็เข้าไปอยู่ไม่ไหวมันย่อยเลือเกินโยมก็ไม่กล้าเข้าไปอยู่เพราะเป็นวัดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพิ่งมาถ่ายคืนในรัชสมัยของพระองค์โดยการสร้างวัดถวายไว้สองวัดวัดหนึ่งชื่อวัดกวีตวัดหนึ่งชื่ออะไรลืมไปแล้ว นี่คือคือเรื่องคุณอูปการที่สังคมไทยได้รับจากพระพุทธศาสนาและเวลาเนี้ยไม่มีใครถ่ายคืนแผ่นดินนี้ที่จริงเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าตากูถวายพระพุทธเจ้าไแเราอยู่ในแผ่นดินของพระพุทธเจ้าสนามหลวงเองเนี่ยก็เป็นแผ่นดินของพระพุทธเจ้าแต่พอจะจัดงานทักทีนี้ยุ่งทุกปีเลยวนในสานึกตรงเนี้ที่จริงมันน่าจะคิดกัน น่าจะมองย้อนกลับกไปนึกถึงคุณูปการว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนียเป็นสถาบันหลักที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาไว้พระเจ้าตากเองก็ขวังสั่งไว้นะคิดถึงพ่อพ่อพ อ, อยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์ศาสนาศาสนาฝากไว้คู่กันอันนี้เป็นการลากมาให้ดูว่ากฤษดาพิณิหารตรงนั้นในยุคตรงนั้นน่มันมาบานปลายเอาตรงนี้ เพราะเจ้าชายสิทธัตถะที่ท่านประสูดแล้วเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าตรงนั้นแหละสามสิบาปีสามสิบหกปีต่อมามันก็พิสูจน์วนเรื่องนั้นเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะพระญาติวงทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์ในคราวนั้นก็ประกาศเด็ดขาดเลยว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ลูกเขาในบวชโดยเสด็จเลย พระเจ้าชายสิทธะเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิก็ขอมอบถวายพระราชโอรสให้เป็นข้าราชบริพารแล้วพวกศักยานี่พวกสัจจะนะฮไม่ทําลายสัจจะแม้ตัวเองจะตายก็ได้ตั้งแต่รุ่นบนรรพชนคือพระเจ้าโอกาก า, กาก ร, ราชมาเพราะพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชเนี่ยพระราชวงศ์จึงต้องบวชบวชบางทีสยองนะฮะเราเห็นว่าตอนยุคแรกเนี่ยยุคพระพุทธเจ้าสัสรุปใหม่ๆนี่บวชตั้งหมื่นนี ก็ไม่ใช่ราชวงศ์สากยะทั้งหมดแต่ว่าหมายความว่าอัมมาทั้งหลายขาราชบริพารทั้งหลายเนี่ยประชาชนทั้งหลายที่รับราชการอยู่เนี่ยก็หมายถึงศกากยะกุมารทั้งหลายด้ว ย, น, ยนะนะก็เบ็ดเสร็จก็หนึ่งหมืนคนบวชไปแล้วในตอนหลังเนี่ยบวชอีกตั้งห้าร้อยแล้วก็เทยทยอยบวชมาเป็นครืดเป็นครืดอ้างตรงเนี้ยอ้างตรง น, งรงนี้อ้างว่าเป็นสัจจวาจาที่ให้ไว้ จะต้องทําให้ได้บางครั้งบางคราวเนี่ยจนถึงสละราชาสมบัติออกบวชอย่างพระเจ้าพัติยะเนี่ยต้องสละราชาสมบัติออกบวชเพราะว่าในสกุลของท่านไม่มีใครบวชแล้วก็ถวายปฏิญาณไว้แล้วเหมือนกันอันี่คือมันมาบามที่ตอนปลายมาเที่ไปเห็นเนี่ยพระเจ้าตากเนี่ยท่านก็มีพิเศษในตอ น, น, นรุ่นรุ่นเป็นลูกกิตสดาพินีหารระดับหนึ่งนะฮะกว่าเทียบพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแต่ถือว่าเป็นระดับหนึ่ง แต่ก็บานตอนปลายว่าทาให้พระองค์มีบุญญาธิการกู้ชาติได้สาเร็จระยะมันสั้นอย่าไม่น่าเชื่อเลยเจ็ดเดือนนะกู้ชาติเสร็จแล้วจากสามัญชนเนี่ยขึ้นสู่เหนือสามัญเพราะในสิ่งเหล่านี้อย่าไปเล่นนะเรื่องบารมีต่างเรื่องบุญญาธิการต่างคพฤสตดาพินิหารต่างๆเนี่ยมันไม่อาจที่จะไปคิดโดยเหตุผลสามัญได้หรอก แต่ว่าเราสามารถเทียบเคียงคนเหล่านั้นเนได้เอาอย่างพระราชาโอรสรายการที่สี่คือสมเด็จประมาณมหาสํานัจ้ากรมัยาวิชานโรรสเนี่ยตอนประสูตรเนี่ยฟังข้าปกติในก่อนประสูตรพอเริ่มพระชนีเริ่มประชวนพระคันขวนขว้าเรื่องคํารามร้องแป๊บแป๊บแป๊บแบแบบสมัยพระเจ้าพระนเรศวรมงคลเออพระเจ้าตากสินเหมือนกันพอท่านประสูตรเนี่ยฝน หายเลยแต่น้ํำจึงหนองรรรนพระบรมมาราชวังพระจงกล่าวเห็นเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ก็ทําให้นึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ต้นจิกชื่อมุจรินฝนตกลตลอดเวลาเหมือนกันเลยชื่อพระองค์ว่ามนุสนาขมานุปคือพญานาคเนี่ยพญานาคชื่อมุจลินเนี่ยพอฝนหายก็ แปรงตัวเป็นมานพยืนถวายพัดโบกพัดให้ แ, แกพระพุทธเจ้าอยู่แล้ยืนรักขานะ่นี่เราจะเห็นว่าแล้วต่อมาพระองค์ก็ปืนเป็นดุจเทพบเสก์ที่จุติลงมารื้อฟื้นระาศาสนาเลยหมายความพระพุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีสมเด็จพระมาสํมนาเกิดมานะก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะจะบายหน้าไปไหน เพราะว่าเราถ้ามองตอนหลังจากนั้นมานี่ไม่มีใครที่มีบุญญาธิการระดับนั้นที่จะปฏิรูปการศึกษาเรียกว่าขนาดมหาศาลมากพลิกโฉมหน้าทางการศึกษาทางการปฏิบัติของคณะสงฆ์แล้วก็มีบารมีมากเลยเสียดายเดียประชนมายุน้อยไปหน่อยหกสิบกว่าหกสิบเอกสิบสองปีไม่ดีไม่ไม่ถึงดีนะฮะ แต่นี่ก็คือแสดงอะไรแสดงให้เห็นว่าข้อความเหล่าเนี้ยสําหรับคนพระพุทธเจ้าในบารมีมันสูงไม่รู้สกิดสิบเท่าตัวของท่านเหล่านี้เพราะตัวนี้คือแสดงถึงบุปนิมิตเราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นนะ่ะอย่าลืมนะคนที่เขารู้เขาเห็นเนี่ยเขาทุ่มชีวิตลงไปเลยถ้าออกบวชขอบวชตามแต่ท่านเองนะบวชไม่ทันนะท่านแก่แล้ว เพื่อนก็ลูกเข้าเฝ้าเลยฝาถวายเลยพูดแทนลูกนะลูกยังเด็กๆเพืนพระเจ้กุมารเหล่านั้นก็ประชนภาษาก็ใกล้ๆรุ่นน้องรุ่นพี่พระพุทธเจ้าดิดๆหน่อยๆจะออกบวชตามกันเนี่ยเพราฉะการมองอะไรมองยาวนะอย่าไปมองตัดตอนเอาเฉพาะตรงนั้นเจะถามว่าทําไมทําไมทําไมแล้วก็หาคําตอบไปได้ประเด็นตรงนี้เป็นการ ชี้ให้เห็นถึงการเกิดดีคนเนีเกิดดีได้นะถ้าหากว่าสร้างความดีมามันย้อนกลับไปถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรมันก็สาวไปแล้วก็จะเจอพวกบา ร, รมีธรรมบา ร, รมีธรรมมันสร้างมาตั้งรูปร่างมาเลยสร้างภูมิธรรมสร้างตติปัญญาสร้างคุณภาพทางจิตวิญญาณของบุคคลเหล่านั้นให้ยิ่งยอนแตกต่างกันออกไป แล้วก็สามารถที่จะบูชาพระองค์ตอนนี้เรายังไม่ตายนะฮะแต่เราก็ตายแน่แล้วก็เตรียมเกิดคือไม่ต้องไปเกิดในคันหรอกเกิดตรงเนี้ยเกิดเป็นคนคือเกิดด้วยกรรมเห็นไหมคนเราเกิดด้วยกรรมในะแต่ละขณะเนี่ยเราเป็นด้วยกรรมของเราวันก่อนในดูข่าวที่เขาบวชอะไระนักใจย่า โอ้โหคนกรีดกระเป๋าของญาติโจมเยอะเหลือเกินนั่นคืออะไรคือว่าคนบางพวกนี้พร้อมจะทำบาปตลอดอะในวัดในวาในโบสถ์ในวิหารพร้อมจะทำบาปตลอดแต่เราก็อยู่ในสังคมเ่าเนี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เขาก็เป็นโจรด้วยการกระทําของเขาก็เป็นคนดีด้วยการกระทําของเขาเพราะงั้น เราทำดีตรงตรงไหนเราก็เป็นคนดีตรงนั้นเน่ยเห็นไหมว่าการทําของเราเนี่ยทำให้เราได้เป็นตามที่เราต้องการและเราก็เลือกทําได้ด้วยเลือกเราเว้นความชั่วเลือกเราพฤทธปฏิบัติความดีได้การบูชาพระพุทธเจ้าในเทศกาลในสาขาบูชาเนี่ยคือไม่ได้คิดจัดงานเพื่อหาเงินนะ่ แตว่าญาตโด่งก็ก็ช่วยนะครทางราชการกระทรวงมหาดไทยก็ช่วยหาให้อะไรแต่ะไรทหารก็ช่วยหาให้สีเ่เราทัพเนี่ยก็จะหาให้ก็ไม่ค่อยมากอะไรเท่าไรหรอกอินทามห้ศูนย์โตโตได้ช้าแล้วก็งานเกินกํำลังคือตัวเล็กคล้ายๆกับผู้ใหญ่ไปเลี้ยงเด็กอะไม่ใช่เด็กไปเลี้ยงผู้ใหญ่งานมันใหญ่แต่ว่าตัวมันเล็กก็ทํางานไม่ค่อยได้ เราเพร า, เพราะเราเรน้นจริงๆเนี่ยเราเน้นสืบสารพระพุทธปฏิเนธา น, นังกล่าวแล้วก็สืบสารในรูปของปฏิปทาด้วยหมายความมาลีลาชีวิตของบุคคลทั้งหลายก็เอามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพราะงั้นพอถึงเทศกาลวิสาขาบูชาเราจะเน้นในแวดวงของประสูศุสตรุนิพานแล้วก็ดึงมาจากจุดนั้นดึงมาจากตรงไหนกันดัในขณะนี้ก็มีรายการโทรทัศน์ออกตลอด อาตมาก็ให้วิทยากรอาตมาได้กล่าวนำไปในวันที่ 8. แปดแต่ต่อจากนั้นก็จะมีการเผยแพร่ต่างๆออกมาในรูปต่างๆโดยตัวแทนของมหาวิทยาลัยพระพุทธาาศาสนาสองแห่งคือตัวแทนจากมหามกุฎสามสามรายการสามครั้งตัวแทนจากมหาชุลาสามครั้งตัวแทนจากกรรมาทิการาศาสนาสิกรรมมาธิการาศาสนาศาิลปาวันธรรมในสามครั้ง แล้วก็ตัวแทนของนุ ก, กรรมการจัดงานเนี่ยหนึ่งครั้งเรื่อต้องการจะให้มองว่าแบบชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ศาสดาที่ประเสริฐเป็นแบบฉบับได้ทุกอย่างทำไมจึงไม่สัมผัสในลึกได้มากกว่านั้นเพื่อจะได้เกิดความสุขมากกว่าที่เรากาลังประสบอยู่ในปัจจุบันต้องฟังทังไร แต่ร่มพระโพธิญาณในรายการพิเศษสมาปณนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี